มีกิริยาที่กึกกูนด้วยครับเช่นเดินไปช่วยหรือได้เข้าพื้นบ้านไม่สบายเนี่ยที่จริงเราก็รักเค้าอยู่ เราจะทําไงดีครับเราจะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจคงมาเราก็นอนต่อคือโอ้ยตู้ยาไอ้เร <c oughs> <c oughs> นี่คือเหตุผลพนอตัวเองนะครับคราวนึงผมเห็นควันลุกขโมง ผมก็เตือนน้องว่าถ้าสมมุติน้ําๆล่ะการมาของแต่ว่าเนื่องจากไม่คุ้นกับสถานที่นั้นแล้วชาวบ้านเผา <c oughs> ตัวตัวเกียจขี้คลานมันจับอยู่แถวซอกล้างๆหัวไหล่บั้นเอวงามเบื่อแต่พอเราคล้องตัวดีมยกง่าย ใครๆมันรอยตัวได้มันลอยตัวได้ครับลอยตัวพ้นจากปัญหาซึ่งเคยหนักอึ้งน้ําจิตนอนตีพุงจริงๆนั้นการ จะเราปฏิบัติดีนะครับเราจะลุกเดินได้แสดงท่านไม่ถือตัวใช่มั้ยครับไม่ใช่ว่ากูเป็นพุทธเจ้ามึงต้องทักกูก่อนท่านไม่ใช่ พอฟังคำพูดนี่จะลืมตัวทุกทีนะสังเกตมั้ยครับพอฟังรู้ก็ลืมเด็กแล้วถ้าใครไม่อยากฟังผม พอปฏิบัติมากๆแล้วมันไม่อยากฟังได้ยินได้ฟังท่านครับ คนที่ปฏิบัติแล้วพอได้ยินเท่าลงประสานมือไม่ครับประสานครับ ใครที่เสียงชัดๆกล้าๆน่ะใครก็ ไม่ทํา ไม่ได้อ๋อสีสมอนพร้อมรู้จักสีสมอนเพราะเพราะว่าคํานับบ่อย Home, oh, but really it's fun. อันหลังไม่ต้องต่อหางเครื่อง <cười> ยอดที่ยอดต่างยอดต่างขึ้นได้พร้อมนับ 1 2 3, 3, 3, 3 นะ 1 2 3 โม กรรมกําลังของปอดและนําเสียงจนสุดเสียงโดยไม่ต้องไม่ต้องรอใครทั้ง ตัวแทนแห่งโอมเนี่ยอนุวัฒน์ 3 ตัวคืออะอินะมะจริงๆก็อุ้มหรืออูมแล้วแผ้งเป็นโอเป็นโอมอะก็คืออรหันตาหมายอะอุคืออุตตม อุโดมอุโดมทํานองนั้นมะก็คือมหาสังฆิกะมหาสังฆโฆนะครับคือกลุ่มของสงฆ์นั้นเมื่อเราเปล่งคําโอมนี่เรา เรียกนโม 3 เพราะมากครับมาลังให้ให้พระสวดให้ฟังเพราะมากครับมันมีความหมายลึกนึกซึ่งที่ละสมดอมมนต์เหล่านั้นนะ ดังนั้นต้องรู้กันนะครับโดยผมไม่จะไม่บอกว่าเนี่ยเข้าใจมั้ยครับเข้าใจโอมโอมๆมันอยู่คือโอมเป็นเพียงบทเริ่มต้นและบทของมนต์ทุกบทครับก็ตั้งต้นด้วยโอมตามภาษาสันสกฤตโอมแปลว่าขอนอบน้อมจริง อุกามันนะโมงลองครับนะโมแปลว่าขอนอบน้อมแต่พวกฮินดูหรือพวกพร้อมของนิยมใช้คําว่าโอมของเรานิยมใช้คําว่านะโมครับนะโมเป็น 2 พยางค์ครับมันเลยเปล่งยากแล้วโอมเนี่ยมันมันคําเดียวเท่านั้นแล้วมันมันง่าย ถึงเวลาที่จะเลิกก็คือเวลาที่จะเลิกก็คือพอใครข้าง สิ่งที่สุดก็คือว่าเมื่อเปล่งสิงห์โอมจนเรารู้สึกครับ ธนันท์การเปล่ง ॐ นี่แม้จะประสานเสียงก็จริงก็ใช่นะครับ หรือรอนเดียวลอนดีลโอ๋แต่โอมอะไรอย่าไปสนใจข้างนอกเข้าครับเรื่องโอมมันเล่นข้างในแล้วให้สังเกต Oh สู่ตรงด้วยกันรู้เปล่งครับว่าโอ้เราทุบเปล่งจนทั้งสิ้นลมปราณ จิตนาของเป่งเสียง ॐ นี่คือให้เสียงและลมปราณเนี่ยจบสิ้นลงยาวเสียง ॐ จะยาวมากเลยๆก็ยัง เข้าใจมั้ยครับ ธรรมได้นี้มันจะเป็นแล้วลมขาดเริ่มใหม่แล้วลมคือใจลมที่ภาษาไทยเค้า ที่ไม่ไม่มีภาษาจะพูดเนี่ยเราเราต้องการๆเพราะพอ ตัวทําให้เจริญสติเนี่ยมันมันตกสมองเริ่มสิ้นความคิด ตัวใจปรากฏดันขึ้นถามว่าผมรู้ได้อย่างไรครับในเมื่อยังไม่ได้ตายคือค่อยๆรับรู้ แต่มันไม่ตายครับมันยังเป็นอยู่แล้วมันตายจากโลกของการแบ่งแยกโลกสมมุติแต ค่อยๆทําให้อารมณ์ประสานมีเอกภาพแล้ว กับการในทุกๆปลัฏฐิและคือการพยายามเพื่อที่รับทราบรวมความ เมื่อศาสนา หรือ... มีพระเจ้ากับหล่าศาสนา จิตนี่อารมณ์ในนิมิตต่างๆในเรื่องราวต่างๆ สมรรคกังจองได้เสนอกรรมสมาธิของ การเกิดขึ้นของสมาธิก็เกิดหลายๆกระบวนทีแต่เนื้อหาก็ ทฤษฎีไดไดนฟินในสุดเราก็ต้องล่าถึงกรรมวิธีทั้งหมดเป็นจริงชั่วคราวทั้งสิ้นเพราะว่าเมื่อมันเป็นสมาธิ ออกวจายของตัวเองก็เป็นเดิมพันไม่ต้องกังวลถึงกรรมวิธี ไกลฝั่งนอนคุณหาที่ที่สวยมีหาดที่ตื่นหรือๆหน้าครับต้องฝันถึง วิธีทำสมาธิง่ายๆนิดเดียวครับตั้งกาย มีทั้งนั้นเพราะว่าเราติดจิตในอารมณ์ต่างๆเช่นในกามารมณ์ในการทิวตรีใน ชอบวุ่นวนนู่นๆๆเสื่อมเสื่อมไปแล้วครับสมาธิ รู้หัวใจมีจิตใจอันหนึ่งมีร่างกายอันหนึ่งนะครับมันๆนะ ที่ผมว่าลมดอกที่เกิดสมาธิหมายความว่าเรามีการเข้าถึงใครผู้ 51 เป็นหัวหน้า